ทิฐานเข้าสมาธิสักพักนึกถึงพระพุทธองค์ดินึกถึงตอนที่ท่านนั่งสมาธิในป่าโอ้โหท่านยิ่งกับเราอีกทั้งยุงทั้งลิ้นทั้งไหลทั้งความอะไรเวทนาทั้งด้านความเย็นความหนาความร้อนสารพัด ขันติธรรมคือความอดทนอดกลัน้นยุงอาเนี่ยเคยนั่งสมาธิให้ยุงมันกินทั้งตัวเลยและวธรรมก็าก็สอนวันเนี่ยต่อไปเราจะต้องทนอารมณ์ของคนทนคำพูดของคนเหมือนกับยุงที่กัดสารพัดปากที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิต คนติเตียนก็มีคนสันเติร์นก็มีคนพอใจไม่พอใจเปรียบเสมือนกับกับยุงที่กัดเราต้องทำจิตเป็นอุเบกขาวางเฉยไม่ยินดียินลย้ลยซะถึงจะเรียกว่าคนนั้นที่คลายอารมณ์ มีโยมคนหนึ่งมาถามว่าปฏิบัติทําได้อะไรไม่อยู่สามวันไม่เห็นได้อะไรเลย <c oughs> ก็เลยบอกว่าเราไม่ใช่ปฏิบัติทําเพื่อจะให้มันได้อะไร <c oughs> แต่ว่าที่ได้หรือเสียนั่นอยู่ที่จิต <c oughs> ถ้าจิตเราลดละอารมณ์เนี่ยเราได้ แต่ถ้าจิตเราไม่ลดละอารมณ์นี้เราเสียเขาปฏิบัติกันทํากันตรงนี้เขาไม่ใช่ปฏิบัติทําเพื่อจะเอานั่นเอานี่เอาอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยอารมณ์ของตนเองไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมน่ะมีทั้งคุณภาพมีทั้งปริมาณเหมือนกับพระเนรเมธีญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติธรรมกันในเนี้ย บางคนก็มีคุณภาพบางคนก็มีปริมาณบางคนก็ใช้การไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการวัดอารมณ์การลดละอารมณ์พระพุทธเจา้าท่านก็บอกไว้แล้วว่าปรองอะไรก็อย่าให้หลงให้ปรองอยู่ในตัวกรรมให้ยําเกรง คืออารมณ์ตัวนี้มันเป็นตัวทำให้เกิดเป็นลักษณะตัวเกิดตัวตายตัวเวียนว่ายไปตามวัฏจักรของภพและภูมิต่างๆคนเราทำร้ายกันมันก็เพียงแค่เจ็บหรือเสียชีวิตเพียงครั้งเดียวก็จบแต่อารมณ์ทำร้ายเรานี่มันไม่สามารถจะนับจำนวนชาติหรือการเกิดการตายของเราได้เลย เราจึงเรียกว่าอารมณ์ตัวนี้น่ากลัวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะนั้นหลักธรรมของโรกุตละสอนคนเราให้รู้จักอารมณ์ต่างหากเราทุกคนน่ะมานั่งสมาธิมาฟังธรรมมาศึกษาธรรมจากคำสอนพระพุทธองค์ก็เพื่อที่จะให้รู้จักอารมณ์ถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักอารมณ์เนี่ย เราก็เข้าไม่ถึงธรรมเพราะเราไปใช้อารมณ์ไปถืออารมณ์เป็นใหญ่มันก็เลยทำให้เรานั้นไม่ได้ธรรมะดังนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้ธรรมคือคนนั้นต้องมีความนิ่งความเฉยต่อเรื่องราวของอารมณ์ที่สัมผัสขึ้นทางจิต เช่นอย่างตากระทบรูปเนี่ยอารมณ์ของรูปนานาชนิดที่มันปรุงแต่งจิตของเรานั่นแหละเป็นสื่อสารนําให้เกิดเป็นกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมเสียงเหมือนการกลิ่นเหมือนการลดเหมือนกันอารมณ์ของวิญญาณทั้งหกเนี่ยที่ปรุงแต่งจิตเราอยู่สม่ําเสมอตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะทําให้เรากําหนดได้หรือไม่ได้ ถ้าเรากำหนดอารมณ์ตัวนี้ได้เราก็กำหนดธรรมะถูกเมื่อกำหนดธรรมะถูกเราก็มีชีวิตเป็นคุณภาพคือปฏิบัติธรรมมีคุณภาพหาความสงบความอิเวกให้แก่จิตแก่กายของตนไม่คล้องกรรมด้วยกายด้วยวาจารหรือด้านกระแสจิตนั่นคือบุคคลที่มีปฏิาปฏิบัติธรรมมีคุณภาพ คือเข้าถึงธรรมะอนี้เราต้องเข้าใจกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเข้านั่งหลับตาแล้วก็นั่งหลับตาเขาเดินแล้วก็เดินแต่เราก็ยังเพลิดเพลินแต่ตัวอารมณ์คือไม่เข้าใจถึงการเข้ามาศึกษาอารมณ์เข้ามารับคําชี้แนะจากเรื่องราวของสัจธรรมพระพุทธองค์ คนเราจะสูงจะต่ำจะดำจะขาว ห, หมายถึงจิตจะหนาหรือจะบางก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์อย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตที่หนาแน่นด้วยอารมณ์คือจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจอารมณ์เลยท้าสายใบข้าใช้แต่อารมณ์เป็นหลัก เพราะไม่เข้าใจอารมณ์ก็เลยกลายเป็นสะสมทําให้จิตนั้นหนานแน่นขึ้นแต่คนที่จิตใจเบาบางพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนนั้นรู้จักอารมณ์แล้วค่อยๆลดระดอารมณ์ของตนเองขึ้นปล่อยวางอารมณ์รู้แล้วว่าอารมณ์เป็นตัวกรรมอารมณ์เป็นตัวทำให้เกิดเป็นลักษณะการคล้องกรรม หรือการเกิดการตายการใช้กรรมต่างๆเราก็มีการลดละหรือปล่อยวางอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นโดยหัดทำจิตเฉยๆให้มีสติคือมีปัญญามีบรารมีรู้จักพิจารณาอารมณ์ของตอนเองคนนั้นก็จะบางขึ้นทำจิตให้บางจากอารมณ์หนักขึ้นหนักขึ้นจนกลายเป็นว่าจิตตรงนี้ ไม่มีอารมณ์อะไรเกิดอย่างพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอุเบกขาจิตอย่างนี้มีปัญญาไม่ให้อารมณ์มาเกิดขึ้นคือรู้ว่ามาแต่ก็เฉยซะอะไรอย่างนี้อ่จึงจะเรียกว่าคนนั้นปฏิบัติธรรมแล้วรู้จักธรรมะเนี่ยเราต้องคอาใจถึงเรื่องราวของการศึกษาหาเหตุผล การกำหนดจิตไม่ใช่หอกทำจิตฟุ้งซ่านทำจิตไปตามอารมณ์ต่างๆหรือเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆทำจิตกำหนดรู้จักอารมณ์ของตนเองทึ่พพุทธเจ้าจะเรียกว่านิสัยนิสัยของโลกยังมีขึ้นในจิตเราไม่ใช่มาทำตนเป็นอริยะหรือเป็นพระอรหรันต์ แต่มาทำตนให้รู้เท่าทันอารมณ์เท่านั้นเองแล้วมันก็จะดีขึ้นไปเองทึงเขาเรียกว่าจิตดีมีศีลมีธรรมคนเราเมื่อจิตดีมีศีลมีธรรมแล้วกิริยาวาจามันก็ดีขึ้นจะใช้อะไรก็เป็นเหตุเป็นผลที่ดีขึ้นนี่คือการ ลักษณะของบุคคลที่ปฏิบัติธรรมในลักษณะทางตรงเ้าเรียกว่าจิตกับอารมณ์นี่ทางตรงเราไม่ใช่ไปหวังเอานิมิตอนันตนิมิตอินีให้เห็นดาวเห็นเดือนเห็นเทวดาอินทรมที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านั้นคือคือถ้าเราไปกำหนดไอ้สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นหรือให้มันเกิดขึ้น เมื่อมันไม่เกิดขึ้นเราก็บอกว่าเราไม่ได้อะไรจากการปฏิบัติธรรมมมันก็เลยทำให้เราคิดผิดพทธเจ้าทําไม่ได้ไม่ได้สอนให้เราไปหวังไอ้ประเภทอย่างนั้นดูท่านเป็นองค์ตำลาออกจากเมืองจากวังมามาตั้งตนอยู่ในป่าถือลักษณะวิเวกหรือความสงบ ก็เพื่อที่จะดูอารมณ์อารมณ์ที่ตนเองปสัสจากออกมาจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากมืงวานจากขณา ญ, ญาติจากตัวกินตัวนอนตัวสุขตัวสบายมาอยู่อย่างนี้แล้วเป็นอย่างไงวิตกวิจารณอย่างไงพอใจไม่พอใจอย่างไงท่านดูอย่างนั้นเราจึงมาเอาเรื่องราวของท่านเป็นหลัก เป็นแนวทางอย่าให้ความคิดตเตลิดเปิดเผงอย่าเอาความคิดที่ไม่ถูกต้องมาใช้กับการปฏิบัติธรรมะเราจะสังเกตเห็นลักษณะว่าจิตดีเริ่มต้นคือจิตยังไงจิตหมั่นภาวนาพุโทโธคือฝึกจิตของตอนเองให้อยู่กับองค์พุโทโธฝึกไว้อย่างนี้แหละ ฝึกให้ดีฝึกให้เที่ยงฝึกให้เสมอต้นเสมอปลายฝึกให้ได้เขาเรียกว่าหยุดจิตอยู่กับองคุทโธพุธโทพธโธก็เหมือนหลักเราต้องฝึกจิตของเราให้มีหลักเพื่อจะป้องกันความฟุ้งซ่านความทะเยอทยานหรือความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ที่เขาเรียกว่ายึดเหนี่ยวองค์พุโทโธเป็นหลักเมื่อเราภาวนาองค์พุโทโธได้อย่างนี้เขาได้วระจิตดีเบื้องต้นดีท่ามกลางขยับฐานาจิตขอนตนเองมาจากลักษณะองค์พุโทโธก็คือการพิจารณาอารมณ์คือให้รู้จักอารมณ์เป็นกฎเกณฑ์ของกรรม เมื่อเรากําหนดอารมณ์เป็นกฎเกณฑ์ของกรรมได้ต่อไปดีที่สุดก็สิ่งที่เรากําหนดได้เด่นแหละคืออารมณ์คือลดละปล่อยวางอย่ายึดอย่าถืออย่าให้อารมณ์มาเ อ, อ่ยชื่อภายในจิตของเราจนกลายเป็นลักษณะความยึดถือคล้องกรรมซึ่งกันและกันหัดทําอย่างเนี้ ทำเรื่อยๆทำให้เคยชินทำให้เข้าใจถ้ากก็บอกไว้แล้วว่าชีวิตถ้ายังกำหนดชีวิตไม่ถูกก็เป็นชีวิตสามัญแต่ถ้าเรากำหนดชีวิตมาเป็นลักษณะจิตจิตแปลว่ารู้ รู้สิ่งที่ตนเองอยู่อาศัยเช่นกายอารมณ์ปัจัจสี่หรือโลกธรรมแปดประการย่อๆคือกำหนดให้เข้าใจถึงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่จิตธรรมดาแล้วเขาเรียกว่าจิตที่กำลังขยับตัวขึ้นมาเป็นลักษณะอริยะคือจเจริญในด้านพระศาสนา คือการศึกษาเรื่องอารมณ์และกการลดละอารมณ์เมื่อเราศึกษาเรื่องของอารมณ์ลดละอารมณ์ได้เรื่อยๆจนกลายเป็นลนักษณะนิสัยที่เคยชินทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำอยู่เรื่อยๆทำไปช่วยชีวิตเราก็อาจจะเดินถึงที่สุดของความทุกข์คือตัวอารมณ์ตัวนี้ คือในชาติต่อไปจะเป็นชาติไหนเราก็ไม่กำหนดเพราะเรื่องการกำหนดอารมณ์ลดละอารมณ์นั้นไม่ได้มีวันเดือนปีเป็นเรื่องกำหนดไม่ใช่เป็นวิชาการอย่างที่เราเรียนหรือเราศึกษากัน3มปี4ปี5ปีจบอะไรประเภทอย่างนั้นแต่การเรียนรู้อารมณ์การศึกษาอารมณ์การปลดปล่อยอารมณ์นั้นใช้ชีวิตเป็นชาติ มีการพัฒนาขึ้นด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าวิญญาณแล้วก็จิตของตนเองถ้ามาอย่างนั้นเราก็อาจจะเป็นชีวิตธรรมดาไม่ได้ดีไม่ได้ประเสริฐอะไปปรไปบอกเขาเรกเป็นชีวิตธรรมดาชีวิตธรรมดาคือชีวิตที่ไม่มีการลดละไม่รู้จักอารมณ์นั่นก็เรียกชีวิตธรรมดา แต่ถ้ารู้จักกดอารมณ์ปล่อยอารมณ์ไม่ยึดถืออารมณ์ถือว่าอารมณ์ตัวนี้เป็นตัวนำชีวิตไปสู่ทุกข์ไปสู่การเกิดการตายเป็นภพเป็นภูมิเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายนานาชีวิตของอารมณ์ตัวนี้ที่จะผ่าไปเขากำหนดอย่างนี้ได้เขาก็ เป็นมนุษย์ที่ดีพระเจ้ทาท่านบอกว่ามนุษย์เป็นเรื่องดีแต่ถ้ามนุษย์คนนั้นจะมีศีลธรรมคือมีธรรมะไว้เป็นหลักแต่ถ้ามนุษย์ไม่มีศีลธรรมไม่มีธรรมะก็คือมนุษย์ธรรมดากแสดงกิริยาออกมาต่างๆนาน า, นานชนิดของชีวิตมนุษย์ผู้นั้น เป็นได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างพร้อยตามอารมณ์ไปได้ทุกอย่างพระจ้าจะเรียกว่าชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักนะหลักเบื้องต้นคือหัดภาวนาพุโทโธให้มีจิตอมพุโทโธนี่เป็นหลักเข้าไว้ ไม่ใช่เพียงอะพุทธโธก็ใช้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องภาวนาให้ได้ให้นิ่งให้เฉยให้มีแต่กระแสจิตที่อยู่กับองค์พุทธโธเท่านั้นข้อที่สองต้องศึกษาเรื่องราวของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากวิญญาณปรุงแต่งโลกโปรดหลง สรุปเนื้อความว่านว่าโลคโกรธหลงตัวนี้แหละอารมณ์ของรูปที่ทําให้เกิดเป็นความโลคอารมณ์ของรูปที่ทําให้เกิดเป็นความโกรธอารมณ์ของรูปที่ทําให้เกิดเป็นความหลงเราก็ไปหารายละเอียดจากเรื่องราวของอารมณ์เหล่านี้นี่ข้อที่สองข้อที่สจับเนื้อความของการกําหนดจิตได้แล้ว พิจารณาได้แล้วและกำหนดกรรมเป็นลักษณะตัวทุกข์ได้แล้วก็มีการลดละและปล่อยวางขึ้นในลักษณะมีสติรู้จักอารมณ์มีเหตุบีผลด้วยความขันติอดทนอยู่ในตนเท่านี้เราก็อาจจะเบาบางขึ้น เราไม่กลองมาแสดงตนเป็นผู้รู้มากมายกายกองเป็นถึงปราดถึงบันฑิตอะไรขอให้มีนิสัยมีหลักการในอันที่จะฝึกจิตให้รู้จักรกษณาสิ่งทั้งสามประการนี้เท่านั้นเท่านี้ก็เป็นคนดีกับเขาได้แล้วเราดูพระพุทธองค์เราเอาพระพุทธองค์เป็นเยี่ยงอย่าง ดูท่านเป็นตําลาเป็นเยี่ยงจันทรเราก็ต้องดําเนินตามลักษณะท่านได้เวลาเล็กเวลาน้อยก็ดีเกิดสิบครั้งเสียสัก8ครั้งได้สองครั้งก็ยังดีดีกว่าเกิดทั้ง10ครั้งแล้วก็เสียทั้งสิบครั้งเพราะเราไม่ใช่เป็นคนตัดขาดและไม่ใช่พระอราหารันต์ แล้วก็เหมือนกับเด็กที่กําลังเดินก็ย่อมจะมีผิดมีพลาดมีลม้มมีเซไปตามลักษณะของเด็กที่กําลังเดินอยู่เหมือนกับผู้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีการผิดพลาดเป็นของธรรมดากระทันก็บอกไว้แล้วว่าเกิดที่ใจดับที่ใจก็ใช้ได้คําเนี้ย อะไรแล้วเกิดที่ใจก็อารมณ์ของเราอตอนนี้เราเรามาฝึกกันจริงๆจังๆโดยการนั่งนิ่งๆเฉยๆเอาละอยู่ในท่าสมาธิยืนสมาธิเดินสมาธิฝึกจิตอยู่อมพุทโธเฉยๆอย่างนี้บางทีเราลืมตาอาจจะอาจจะทำไม่ได้สู้ไม่ไหวเอาหลับต า, าบ้าง หัดให้เคยชินเมื่อหัดเคยชินในการนั่งหลับตาต่อไปแล้วก็ลืมตาสามารถจะรู้จักแะโดยเฉพาะนักบวชนักบวชนี่สำคัญเพราะถือว่าเข้ามาโดยตรงปีกตัวกระทํามาแล้วเหลือแต่อารมณ์เท่านั้น ต้องฝึกให้เข้าใจฝึกให้มีหลักการฝึกให้มีเหตุผลเราก็อยากจะยกตนให้พ้นทุกข์แต่ก่อนที่เราจะพ้นทุกข์ก็ให้รู้จักบรรเทาทุกข์ทายืนท่าเดินท่านั่งเนี่กเเรียกว่าท่าบรรเทาทุกข์เออเรานี่มันหลับตาอ่านมันลืมตามันเดินไปเดินมานี่สู้ไม่ไหวอ่ะนั่งหลับตาอยู่เฉยๆอยู่ในท่านี้ อยู่ในกิริยาของพุทธองค์อย่างเนี้ยก็บรรเทาทุกข์ขึ้นบรรเทาทีละห้านทีสิบนาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องการบรรเทาทุกข์ไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นในจิตแล้วเราลองทําให้ได้จิตเราจะเห็นว่าทุกข์ของจิตไม่มีเลยเรื่องของอารมณ์เพราะเราบรรเทาไปแล้วในลักษณะองค์พุทโธ เขาเรียกว่าไข้หนักกลายเป็นเป็นไข้เบาต่อไปไข้เบาก็กลายเป็นไข้หายแต่จะหายเมื่อไหรหายวันนี้ชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนกี่โกกี่กลับนั่นก็นแล้วแต่แล้วแต่จะฝึกฝนกันไปเรื่อยๆฝึกวันนี้มีนิสัยวันหน้าฝึกชาตินี้มีนิสัยชาติหน้าเขาเรียกว่าฝึกให้เข้าถึงตำรา ในชีวิตของตนเองเพราะเรานี่เป็นเป็นตัวตำลาอยนังที่จะบอกว่าให้รู้จักจักจบตนน่ะคนเหตุคนผลจากตนของตนนี่แหละเกาเรียกว่าตั ว, ต, ว, ต, วตัวตัวำลาเล ย, ยจะออกภรษาอยู่แล้ว ทั้งพระในแม่ชี้ญาโยมาฝึกกัน3เดือน90วันเนี่ยจนจะออกแล้วเหลืออีก10กว่าวันคงจะเข้าใจกันอะไรต่อมีอะไรกับพอสมควรเรื่องราวของการฝึกธรรมะฝึกจิตให้รู้จักอารมณ์เขาเรียกว่าโลกุตะละธรรมชี้ให้รู้จักอารมณ์กรรม ที่ตนเองทำขึ้นเราจะได้เลิกโทษคนนั้นโทษคนนี้เลิกบ่นบานสรรกล่าวเลิกคำวิงวอนอะไรต่อมิอะไรกันไปกรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่ตนเอ ง, เองทำขึ้นไม่ใช่ใครทำให้ชีวิตของเรา ไม่มีใครทําให้เราทําให้เป็นชีวิตเองจะทําชีวิตให้ตกต่าหรือจะให้สูงขึ้นอยู่ที่ตัวเราทําท่านนั้นโลกุตตรธรรมนะครับมาชี้ให้จิตเรารู้จักอารมณ์หรือรู้จักกรรมจึงบอกว่าในบรรดาผู้ปฏิบัติธรรม ก็มีทั้งคุณภาพคือคนที่รู้และก็คนที่ทำคนที่รู้คนไม่ทำและคนไม่รู้และไม่ทำเลยก็ปะปนอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มของธรรมะนี่แหละ เราต้องเข้าใจถึงลักษณะเออเราจะทำตนของตนคือทำตัวของเราเนี่ให้มีคุณภาพขนาดไหนหรือไม่ให้มันมีพระแปลว่าเฉยคือเราอยากจะเดินตามพระพระเจ้าท่านบอกให้เฉยสิถ้าเราไม่เฉยจะเป็นพระได้ยังไงมันก็เดินผิดทางของพระ อยากกมีธรรมะอยากกเดินทางของพระต้องเฉยเฉยแบบผู้รู้นะไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้พอจะจำได้ไหมสามสามสามประการหรือสามอย่าง พ่อขอใจความการฝึกธรรมะเนี่ยที่เขาเรียกว่าดีเบื้องตน้นดีทมกลางดีที่สุดเนี่ยเราพอจะเข้าใจกันเราทำจริงๆแล้วก็ทำได้ ก็นั่งกันเนี่ยยุงก็กัดเนี่ยก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นไปไหนก็นั่งเฉยๆก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอนนี้อารมณ์มื่นกันนะถ้ามันเกิดทางจิตแล้วทำเฉยๆแบอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปฏิกิริยาเหมือนกันปฏิกิริยามาเกิดขึ้นจากเวทนาที่เราทนได้หรือไม่ได้เท่านั้ น, นถ้าเราทนได้ ก็เฉยถ้าทนไม่ได้มันก็ลุกลี้ลุกลนกำไรชีวิตของเราอันมหาศาลเลยตามหลักที่ได้มาพบกับโลกุตละนะแต่ถ้าใครอ่านโลกุตละไม่ออกอยู่ก็ร้อนไปก็ร้อนถ้าอ่านโลกุตละออกอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุข อ่านโลกุตละอ่านที่ไหนก็อ่านที่อารมณ์อะถ้าอ่านอารมณ์ถูกก็เป็นสุขถ้าอ่านอารมณ์ไม่ถูกก็เป็นทุกข์เราไม่ใช่เราไม่ใช่มานั่งผวอดเก่ง ว่าฉันนั่งเก่งผมนั่งเก่งไม่ใช่มานั่งอดแต่มานั่งเพื่อให้รู้ว่าเราอดทนได้เฉยได้ต่อไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราจะต้องทำให้ทาอย่างนี้คือทำให้เฉยเฉย เขาเรียกว่ารูปสอนธรรมเอารูปของเรานี่ยปรากฏการมาเป็นธรรมแล้วก็เอาธรรมอันนี้แหละไปสอนจิต คำกล่าวของโลกุตระอาจจะฟังเป็นเรื่องสามัญคือฟังันเคยชินก็อาจเป็นเรื่องสามัญแต่ถ้าฟังให้เข้าใจจะเกิดเป็นลักษณะความชุ่มฉ่ำขึ้นในกายในจิตอย่างที่ท่านบอกว่า มนทินจั ก, กระพัดท่าฉลาดให้ปัดกวาดตัวเองคือเรามีท่าสี่ันหวิญญาณพร้อมทั้งจิตรวมเป็นตัวตนเนี่ยเราเป็นจั ก, กระพัด แต่ว่าจักระพัดของเราเนี่ยจะสะอาดหรือไม่สะอาดอยู่ที่ตัวอารมณ์ถ้าเราไม่ฉลาดจักระพัดก็มีมลทินคือมีกรรมมากนั่นเองเราดูพระอริยเจ้าพระพุทธองค์เป็นพระอริยเจ้า ธาตุสะอาดวิญญาณสะอาดจิตสะอาดรวมแล้วเรียกว่าขันห้าของท่านสะอาดเพราะท่านไม่สร้างอารมณ์ให้เกิดเป็นมวลทิน ชีวิตของท่านเดินทางมาถึงสี่อาสงไขยชาติติดต่อกันสม่ำเสมอในชีวิตแต่และชีวิตพยายามที่จะประกาศความสะอาดให้แก่จั ก, กรพรรดิของตนเองโดยการหมั่นถือศีลถือธรรม ตามลักษณะเขาเรียกว่าให้มีทานให้รู้จักทำทานให้รู้จักถือศีลให้รู้จักภาวนาถ้าชีวิตของเรายังมีอยู่ควรจะกำหนดแบบนั้นชีวิตจะมีสาระไม่มีสาระ ในชีวิตที่เกิดมา80ปีขึ้นอยู่กับทานศีลภาวนาบางคนนี้ขี้เกียจแม้แต่จะให้ทานบางคนขี้เกียจที่จะถือศีลบางคนขี้เกียจที่จะภาวนาเพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องทานศีลภาวนาว่ามีอนิสงส์ที่ประเสริฐ ทานะกันอะไรประกันสังขารไม่ให้ตกต่บ